สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแท้สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อใดบุคคลเห็นแจ้งด้วยปัญญาดังนี้เมื่อนั้นเขาย่อมนายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ พุทธะวจนะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะสมาธิสู่การพื้นฟูสุขภาพถ้าเราเริ่มต้นจะป่วยเนี่ยหรือว่าเราจะเตรียมตัวสำหรับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องป่วยแน่เนี่ยคุณหมอมีอะไรจะแบ่งปันกับเพื่อนของเราเชิญเลยค่ะจริงๆแล้วเรื่องมันใหญ่มาก เพราะว่าถ้าเราทํางานนี้ได้สําเร็จเนี่ยมันก็คือการเหมือนพลิกโลกเลยนะคะแล้วก็คือการปฏิวัติค่ะวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้นะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> กระแสะของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยที่กําลังดําเนินไปเนี่ยดูแล้วมันคงจะเป็นทางเสื่อมซะมากกว่าแต่ถ้าเราจะแก้คืนมาเพื่อให้ทิศทางของการดูแลสุขภาพ ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยค่ะเราต้องไม่เรียกว่าปฏิวัติก็เรียกว่าปฏิรูปปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นถ้า<ช>เราลงมือทํางานนี้จริงๆเนี่ยผรมองว่าสิ่งที่เราต้องมีหรือสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องทําความจริงให้สมกับที่ว่าจะใช้พุทธวิธีหรือว่าเป็นสุขภาพแนวพุทธอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งแน่นอนว่าในทัสนะของพุทธศาสนาเนี่ยชีวิตก็คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งะเป็นความจริงที่เราต้องทำความเข้าใจหรือว่าต้องรู้จักนั่นหมายความว่ า, วาก่อนที่เราจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีฐานข้อมูลที่เป็นจริงที่สุดะนะครับถ้าเราไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นจริงที่สุดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย ตรงนี้การแก้ไขปัญหาที่รากเง่าก็คงจะทําได้ยากงานถัดไปก็คือว่าเมื่อเราได้ความจริงนันเป็นฐานข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยต่อจากนั้นก็คงจะเป็นการให้ข้อมูลอันนี้เนี่ยที่เป็นจริงเนี่ยหรือว่าความเป็นจริงเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยกับประชาชนอย่างกว้างขวางานะแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็ตอกย้ํานะไม่ว่าจะเป็นความจริง ของสิ่งที่มันมีอยู่หรือว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้กับทิศทางที่กําลังจะเปลี่ยนไปกับความเป็นจริ ง, รงอีกแง่มุมหนึ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่เนี่ยนะเช่นว่าอย่างเรื่องของการลนระลงเรื่องของการสูบุรีหรือว่าดื่มสุราอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราลนระลงกัอย่างให้ข้อมูลตามความเป็นจริงกับเขาอย่างถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ทั่วถึงครอบคลุมเนี่ยผมก็ว่าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้อัตราการบริโภค สิ่งที่มันไม่ถูกต้องเหล่านี้เนี่ยลดลงซึ่งการรณรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับโรงเรียนระดับครูผู้ปกครองทุกคือเรียกว่าทุกหน่วยงานอะไรกันอนเนี่นะครับพี่สีนาะค่ะซึ่งก็เป็นอุบายหรือว่าเป็ น, นกลไกที่เราจะใช้อย่างเป็นที่แต่ว่าในตัวของผู้ปฏิบัติเองเนี่ยคงต้องใช้เรีว่าสติปัญญาอย่างมาก นะครับในการที่จะปฏิวัติเรื่องของสุขภาพเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่จะเป็นวัตถุดิบของปัญญาเนี่ยเราก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยังไม่ถูกต้องเราจะไปทำแบบฉาบฉวยเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ ว, ว่าความสาเร็จมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะนะทีะนี้ไอ้ตัวปัญญานี้เนี่ย ในมุมมองของพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราต้องศึกษาความเป็นจริงของชีวิตทีนี้ไอ้การศึกษาความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะตัว อ, อย่างผมเรียนแพทย์เนี่ยมันก็ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตแต่ว่ามันก็เน้นไปสู่เรื่องของร่างกายใช่ไหมครับแต่ความรู้ชนิดนี้เนี่ยเราจะไปให้ประชาชนรู้เท่าเท่ากับเราเนี่ยอืไม่ได้มันก็คงไม่ได้ใช่ไหมไอนน้ความรู้ ชนิดที่เขาควรจะรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะย่อยนะฮะหรือว่าควรจะให้เขารู้ในสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เนี่ยซึ่งไออาการสอนหรือว่าการให้ความรู้ชนิดนี้เนี่ยมันเป็นความรู้พื้นฐานที่เราขาดหายไปในระบบการศึกษาของเราก็ว่าได้น่าสมมุติว่าตอนนี้ใจผมอยากจะจะทําการปฏิรูประบบสุขภาพของเมืองไทยหรือว่าเราต้องการเห็น สุขภาพของคนไทยที่ดีเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยถ้าจะเริ่มที่กลุ่มคนนี้น่าจะต้องเป็นเด็กๆมันครับคุณเซนะาเรียกว่าทำกันที่เจเนอเรชันใหม่เลยนะคะครับต้องเริ่มกันอย่างจริงจังที่เจเนอเรชันใหม่ค่ะเพราะว่าเจเนอเรชันเก่ามันคงแก้กยากนเห็นไม่ค่อยชัดเห็นไม่ค่อยชัดนี่ถ้าเราจะแก้เนี่ยเราต้องเรื่งแก้ที่เด็กนั้นในความ เข้าใจของผมรู้ว่าความปรารถนาที่อยากจะเห็นจริงๆเลยเนี่ย<ะ>ตั้งแต่ถ้าเลือระบบการศึกษานะก็ตั้งแต่เรียกว่าอนุบาลเนี่ยไปจนถึงประถมป .6 เนี่ยฮะเราอยากเห็นโรงเรียนหรือว่าหลักสูตรนะครับที่สอนเกี่ยวกับชีวิตสอนเรื่องของการดำเนินชีวิตเช่นเขาควรจะทานยังไงให้มันถูกต้อง การกินข้าวการรับประทานข้าวการดื่มน้ำนะดื่มยังไงจึงจะทำให้มีสุขภาพดีใช่คหะการทานอาหารทานยังไงจึงจะเรียกว่าทานอาหารเป็นการเลือกประเภทอาหารแม้แต่เรื่องของการประกอบอาหารการพิจารนาว่าอาหารประเภทไหนมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์อาหารเภทไหนที่ไม่มีคุณค่าอ่หาดประเภไหนที่มันมเป็นพิษเป็นภัยการ ออกกําลังกายอย่างเงี้ยอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างถูกต้องหรือว่าการออกกําลังกายชนิดไหนที่ทําให้แทนที่จะได้สุขภาพดีกับเป็นการเสียสุขภาพแม้แต่เรื่องของการขับถ่ายอุจจเละเรื่องของการขับของเสียต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อความเป็นไปของสุขภาพของ เยวาวชนคนไทยทั้งสิ้นนะครับคุณหมอลงลึกขนาดว่าต้องสร้างคนไทยพันใหม่กันเลยนะคะเนี่ยต้องมาปฏิวัติเรื่องของการเรียนใหม่ค่ะเขาอาจจะต้องเรียนรู้ <c oughs> เรื่องโลกภายนอก <c oughs> เท่าที่จาเป็นนะ <c oughs> แต่ว่าให้เรียนเรื่องของชีวิตเนี่ยอย่างทั่วถึงนะครับเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลการจเจริญภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราน่าจะปลูกฝังเข้ามากที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับการเตรียมพื้นดินที่ดีฮะถ้าเราเตรียมพื้นดินที่ดีไว้ไม่ดีพอแล้วเราจะไปปลูกพืชแล้วหวังผลที่จะให้มันได้ความสมบูรณ์เนี่ยมันคงจะหวังไม่ได้ความสุขสงบในแง่ของเฉพาะบุคคลก็คือส่วนตัวเนี่ยไปังถึงสังคมเองมันคงไม่ต้องหวังเลยฮนะฉันถ้าเรียกว่า เป็นสังคมในฝันเลยเนี่ย<ม>ก็คือว่าเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำหลักสูตรชนิดนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยมผมว่าเราจึงจะมองเห็นความเป็นไปได้ของความมีสุขภาพดีของประชาชนคือทำทุกคนเนี่ย<ม>ให้เป็นคุณหมอในน้อยในการเดียวกันแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ที่พึ่งพาตัวเองได้ เอิสรภาพที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วที่สําคัญก็คือว่างานของเราในอนาคตเนี่ยมันจะน้อยลงเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้อันนี้น <ะ S 1> ก็จะสอดคล้องกับพุทธภาสิต ท, ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอัตตอัตโนนาโถเนี่แหละครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพึ่งหมอพึ่งยาพึ่งตัวเลือกมากกว่าพึ่งตัวเองใช่ไหมครัก็ทุกอย่างนะฮะ เรามีอิสรภาพน้อยลงไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าเราคิดว่าความสุขต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกอย่างมากทุกอย่างนะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในทัศนะของพุทธศาสนาเนี่ยชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ควรจะเป็นไปเนี่ยก็คือชีวิตที่มีอิสรภาพมากที่สุดนะหรือว่าที่สุดเลยก็คือไม่อยู่ภายใต้อํานาจบงการของอะไรเลยเนะใจเป็นอิสรภาพถึงที่สุด นะไม่แม้แต่กิเลสตัณหาอุปาทานแต่เราอาจจะพูดไกลไปก็ได้เราอาจจะพูดง่ายๆแค่ว่าเราสามารถที่จะมีความสุขได้กับการกินการอยู่ง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนนะมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีอาหารที่เตียงพอแกอัตภาพนะครับเราก็ยังมีความสุขอย่างสุด ข, ขีดได้ มากเกินกว่าคนที่อาจจะมีเงินเยอะๆคือสัมปอย่างนี้ค่ะซึ่งไอพัฒนาชนิดนี้เนี่ยมันต้องเป็นการพัฒนาแบบองรวมนะพัฒนาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ตอกย้ำจำที่จำใช้หรือว่าทาให้เป็นตัวอย่างเฉั้นถ้าเราดูทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมของสุขภาพหรือว่าสังคมที่มันดำเนินไปเนี่ยเราจะพบเลย ว, ว่ามันบกพร่องไปทุกระบบนะครับ อย่างเช่ยนยกตัวอย่างง่ายๆว่าความเป็นตัวอย่างนะหรือว่าเป็นแบบอย่างของสังคมในด้านสุขภาพในเราแทบจะไม่มีเลยนะคนในแวดวงสุขภาพเองก็ไม่ทําตัวหรือว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในแง่ของการมีสุขภาพดีค <ะ S 1> ในแวดวงการศึกษาตัวครูอาจารย์ก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีพอ ให้กับนักเรียนนักศึกษาลูกศิษย์ลูกหา <Okay. S 2> ใช่ไหมฮะบางทีเราก็ทํางานไปแต่ว่ามันเป็นอาชีพนะครับมันเป็นแต่เพียงอาชีพที่มันมีรายได้แต่เราไม่ค่อยมีจิตสํานึกของการที่ว่าอ๋อเราเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็จะนักถือพวกที่เป็นข้าราชการใช่ไหมครั <Okay. S 2> เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลพอโมเดลเหล่านี้มันบิดเบี้ยวนะฮะ ไม่ตั้งอยู่บนหลักการของความเป็นแบบอย่างของสังคมไม่คํานึงถึงจิตสํานึกตรงนี้เนี่ยนะผมว่ามันเกยไปทั้งระบบคุณหมอเองก็กินเหล้าเมายามีเยอะฮะหาไม่ยากค่ะใช่ไหมฮะคหาความสุขไม่ได้หรือว่าแม้แต่ว่าการเลือกทานอาหารเนะี่ยกินน้ำหมาดลมกินอาหารไขมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะอย่างมีคุณหมอมาออกพูดถึง รายการทีวีนะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งลำไส้กันมากขึ้นเป็นเพราะว่าเนี่ยชอบทานอาหารประเภทไขมันพวกเนื้อสัตว์เยอะผักไม่ค่อยทานแล้วก็กำลังกายไม่ค่อยออกแต่ตัวคุณหมอเองก็อ้วนตุบเลยนะฮะคุณหมอเองก็อ้วนตุยนุ้ยเชี<ะ>ซึ่งอย่างนี้มันกคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าดูแล้วนี่ มันไม่เป็นตัวอย่างนะเราพูดได้แต่ว่าเราทําไม่ได้คือตัวแบบที่มา ค, คุยให้ข้อมูลเนี่ยไม่เป็นตัวแบบที่สมบูรณ์ครับนะคะมีแต่ความรู้นะฮะท่านมีความรู้แต่ท่านเองก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามความรู้ที่ท่านมีค่ ะ, คะซึ่งผมมองว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความทิการของระบบสังคมของเราจึงบอกว่ามันหวังไม่ได้กับการที่เราจะทําให้ความมีสุขภาพดีของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ เราเพียงแต่ ว, ว่าโปรโมทอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้มันมีงานทําให้มันดูกระตือรือร้นขึ้นมาคช่ไหมให้มันดูมีสีสันแล้วก็เหมือนไฟไหม้ฟางแต่ทุกอย่างก็เงียบหายไปก็พาวนายอย่าให้เป็นอย่างนั้นมากนะก็แล้วกันค่ะอย่างน้อยก็ให้ทิ้งเชื้อเชื้อไว้บ้างก็แล้วกันนะคะในแง่มุมของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาหลักการของพุทธศาสนามาใช้อย่างเต็มที่แล้วก็ทั่วถึงเนี่ยแล้วครอบคลุมทุกช่วงวัยอายุเนี่ย ว่ามันดีขึ้นแน่ๆ น, นะฮะจะดีมากดีน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องไม่ต้องประเมินประมาณนั้นแต่ว่ามันจะต้องดีขึ้นแน่ๆเราอาจจะต้องทาความเข้าใจกับประชาชนให้เขาเข้าใจว่าความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรให้เขาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้นะฮะพี่เสีนะค่ะให้เขาเข้าใจเรื่องของการที่ผลที่มันเกิดขึ้นมันมาจากเหตุอย่างไร ผลที่เราอยากได้มันต้องทําเหตุตรงไหนคเนี่ยให้เขาเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทํานะครับเขาให้เชื่อมั่นในเรื่องของเหตุปัจจัยว่าทําดีมันต้องเป็นความดีนะอาจจะไม่ได้ดีก็เลยนะแต่มันเป็นความดีอะไรทั้นองเนี้่ยทานอาหารที่มีไขมันน้อยทานเนื้อสัตว์น้อยโรคภัยน้อยเนี่ยให้เขาเชื่อมั่นในลักษณะนี้เนี่ยทานผักเยอะเอ่โรคจะน้อยเรืออะไรอยาออกกำลังกายแล้วโรคจะน้อยเนี่ย ตอกย้ำให้เขาเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยชัดๆว่าเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นที่มีผลต่อความเป็นไปของสุขภาพเนี่ยมีอยู่จริง <Okay. S 2> ถ้าเราลงมือทาจริงๆแล้วเนี่ย <จะ S 2> ผลมันจะดีจริงๆเลยท่านน้อง <Okay. S 2> เมื่อตอกย้ําอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยสร้างภาพลักษณ์กระตุ้นทุกทิศทุกทางทําทุกอย่างอย่างพร้อมเพรียงทุกหน่วยงานทุกช่วงอายุนะเพราะว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่นค่นะ <Okay. S 2> ที่จะลื้อฟื้นระบบที่เรียกว่า ทำอย่างไรจึงจะเป็นที่พึ่งกันกับตัวเองให้กับประชาชนให้เขาเป็นตัวที่พึ่งของเขาแต่ในขณะเดียวกันทํามีเหตุปัจจัยอันใดที่นอกเหนือจากการควบคุมของเขาสุดความสามารถของเขาสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามปช่วยเหลือเนี่ยอันเนี้ครับเป็นระบบเล็ในฝันทึ่งต้องช่วยกันนะครับก็ถึงที่สุดแล้วคงต้องบอกว่าความมีสุขภาพดีจะเกิดมีขึ้นได้ หรือไม่นั้นต้องฝากความหวังไว้กับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราที่จะช่วยกันรับรู้รับทราบแล้วก็รับไปปฏิบัติกับตนเองแล้วก็ครอบครัวของพวกเราหรือว่าในวงงานที่พวกเราเกี่ยวข้องที่จะให้จากเป็นเบื้องบนลงมานั้นคงจะ เป็นไปได้ยากอะนะค ะ, คะต้องเป็นจากพวกเราเนี่ย ะ, ค, ะค่ะคนเล็กคนน้อยช่วยกันสารช่วยกันก่อช่วยกันต่อให้ความมีสุขภาพองค์รวมแนวพุทธนั้นเป็นจริงได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็มีความเชื่อพื้นฐานในเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อในเรื่องของกรรมแล้วก็เชื่อในเรื่องของผลของกรรมนะค ะ, คะเรามาพิสูจน์กันด้วยภพชาติของชีวิตนี้กันดีไหมคะถ้าจะพูดในหัวข้อเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าชื่อที่ใช้คําว่า ดุลยภาพของกายและจิตเนี่ยนะพี่ช น, น ะ, ะมันเป็นวิถีแห่งกรรมแล้วต้องดําเนินไปด้วยสติปัญญานะคือเป็นเรื่องของการกระทํานะไม่ใช่เรื่องขอการอ้อนวอนขอร้องนะความมีสุขภาพดีเนี่ยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องเกี่ยวข้องด้วยการใช้ปัญญานะคะใช้ปัญญาในการที่จะเกี่ยวข้องให้ถูกต้องแล้วก็ผลของมันก็คือความสุขหรือว่าความสงบนะหรือว่าสันติภาพกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะ ที่สุดได้ด้วยตัวเราเอง